หลวงพ่อเองสุขภาพช่วงนี้รู้สึกจะเป็นเริ่มเริ่มจะเป็นหวัดแต่ก็พยายามฉันยาอยู่เพสั์ไม่รู้เท่าไร่แต่เท่าไหร่เข้ามาเนี่ยสรุปแล้วก็คืออย่างที่หลวงพ่อเคยพูดทหารพญามัจจุราชเขาส่งทหารมาลองชิมคล้ายคล้กับหวัดส่งมาสืบข่าว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 ท่านก็เลยเอาก ร, รมาฐานที่หลวงปู่มั่นสอนพราะท่านเข้าไปอยู่กับหลวงปู่มั่นแล้วนะท่นี้นะหลวงปู่มั่นก็สอนให้กับภาวานาพนทุทโธนะมหานะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธท่า น, น, นก็จุดกําหนดธรรมดาเลยกำหนดแต่ก่อนคือกําหนดหายใจเข้ามีสติว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอย่าไม่บริกรรมเวลาเดินก็เหมือนกันรู้จักว่าขาขวาลุ่ยเดินขาซ้ายเดินขาขวาเดินขาซ้ายเดินนะ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 พวกนั้นเราต้องเอาคุณงามความดีเข้าหากันมีอะไรปรึกษาปรารถกันมีเหตตาสงสารกันเอาไว้พี่น้องคณะสัตยาญาติโยมทุกมู่เหล่าแต่คราวนี้หลวงพ่อเองนะก็ได้พูดกับาทางคุณปอแล้วกับคณะกรรมการให้เขาทำเช็ค เ, เป็นดาบก็ได้ทำเป็นดานะ้าตถวายฟ้าหญิงนะเพราะท่านพระ อ, องค์เสด็จมาสู่วัดเรา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 หือท่านรัตนาเนี่ยวายพระเข้าไปร่วมร่วมด้วยกันอัดสรน์มาจะเอากี่คนแล้วก็ถามถามผู้ติดตามของพระองค์ด้วยศึกษา ด, ด้วยวิธีการจะทํำยังไงเจ็ดที่จะถวายเวลาเข้าไปไประชุมคุณนู่นพอเอาเข้าวเฝ้าข้าเฝ้าเร็วๆนู่นผ้าจะเบียงผ้งาจะใบยอยู่ในครัวกันวิ่งอิลุกตุ ป, ปอมวิ่งเข้ามาอิรุภูผับผ้าด้ายผ้าด้วขวาเหมือนกับทา ย, ยกวัด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 อันน้เป็นอุต้าหอนเหมือนกันน่แหละหลวงพ่อนำมาพูด เ, เหมือนกับพูดคำหยาบนะแต่ตามไม่จริงคนที่ไม่เตรียมพร้อมคนที่ไม่รอบครอบควรที่ทำอะไรปลุกปับป่บเนี่ยไม่ได้คิดได้อ่านล่วงหน้าไว้นะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นสรุปแล้วนะวันพวกเรานะลูกศิษย์หลวงพ่ออินนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะเอารับพร